พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสองลำดับที่21อดโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส5บห้าตุลาคม2555ห้าห้ามีชื่อเรื่องว่ายาพิษยังไม่ออกฤทธิ์วัดของเรามันสงบ มันเงียบขนาดเสียงพัดลมก็เป็นสิ่งที่รบกวนนะรบกวนในการฟังรบกวนในสมาธิที่พวกเราจะนั่งสมาธิระหว่าฟังเทศหรือฟังคําแนะนำที่หลวงพ่อจะได้กล่าวเพียงแค่นี้ก็มันเป็นเสียงรบกวนยังได้ดับไว้ก่อน วันนี้เป็นวันที่15ตุลาพุทธศักราช2555ขณะนี้หลวงพ่อให้พระท่านออกทางสถานีวิทยุเสียงธรรม 107.25 เมกะเฮิรต FM วัดป่านาคำน้อยของพวกเราเป็นการทดลอง เป็นการทดสอบในการออกข่าวออกกระจายเสียงในท้องถิ่นพวกเราแต่ก็มาไปไม่ไกลหรอกไปแถบอำเภอนา้โสมนายงส่วนนคกูหาบางส่วนลงไปสังคมนี่แหละอันนี้คือเสียงวิทยุของพวกเราแล้วก็วันนี้เป็นวัน พระแรมส5ห้าค่ำเดือน10อีกวันพระสองวันพระเป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาแล้วเมื่อออกพรรษาวันที่ส0สและก็วันที่สตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันกระถินของพวกเราคณะสัตยาติโจมผู้ใดยินเสียงแล้วก็ ผูที่จะมาร่วมในงานกรถินวัดป่านาคําน้อยวันที่4เป็นกรถินสามคัคคีทุกหมู่เหล่าเหมือนทุกปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนผู้ใดอยากจะมาร่วมถอดกรถินก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรเพียงจะประกาศให้กว้างขวางเพราะวัดป่านาคําน้อยของเราไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นวัดสาธารณะของพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าเพราะนั้นผู้ใดจะมาร่วมกระถินสามัคคีก็มาได้ออกพรรษาวันที่30พวกเราคณะสัายาติโยมที่ได้ฟังว่าออกพรรษาประวรนาฟันออกพรรษาประวรนาสำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด ปีนี้พระจำพรรษาในวัดป่านาคำน้อยของเราทั้งหมด42รูปไม่มีสมมาเนนไม่ออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ทั้ง42รูปก็มีการประวารณากันคำว่าประวารณาคำนี้พวกพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่ไม่เคยบวชก็คงจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องเป็นศั์ของพระเป็นศั์ของพระ ประวรนาไอ้คำว่าบอกกล่าวนึกจะให้หมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์อยู่ด้วยกันตักเตือนกันได้บอกกล่าวให้ตักเตือนกันได้ในเมื่อเห็นอากับกิริยาทางกายและทางวาจาตลอดถึงแนวความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดก็บอกกล่าวตักเตือนได้ไอัอนนี้ประวรนาถ้าหากว่า เราไม่บอกไม่ปรวรณากันถ้าพูดออกไปก็ททำให้ผู้ที่โดนเรื่องพวกผู้ที่บอกกล่าวที่โดนกล่าวหาหรือว่าโดนกล่าวบอกกล่าวก็ททำให้เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูไกลศาสานาของเราตถาคตจะยั่งยืนยาวไปได้ต้องอาศัยการว่ากล่าวตักเตือนกัน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 ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีและลังเกียรติทางความนึกคิดที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในความเห็นผิดก็ดีผมขอประวารณาต่อสงขอให้สงทั้งหลายหมู่ทั้งหลายว่ากาวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังอันนี้คือเป็นการกล่าวประวารณาพอองค์ที่หนึ่งประวารณาอย่างลกพ่อปรวารณาจบลงไปองค์ที่สองกับนั่งคุกเข่าประนมมือ ปวารณาอีกสร้างคำบันเตปวาเรเมพอองนั้นสวดจบล้วองที่สาประวารณาอีกองค์ที่สี่ประวารณาถึงสี่สบสององคือให้พูดแต่ละองละองคนะ์กล่าวคําประวารณาตนนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการอยู่ด้วยกันบางทีตนเองมองไม่เห็นว่าตัวเองทําผิดหรือทําถูกเหมือนกับ ผงนะ่ะมันเข้าตาถ้ามันเข้าตาตัวเองน่ะทำไมเอาออกไม่ได้มันอยู่ในตาตัวเองแท้มันมองไม่เห็นเหรอมันใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นนี้ก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นเพราะว่าบางทีเราทำนจนเคยชินคำเราพูดจนเคยชินเราคิดจนเคยชินเราก็มองไม่เห็นแต่ผู้ฟังผู้ได้ยินผู้ได้พบได้เห็นนั้น เออท่านอาจารย์ไม่น่าจะพูดอย่างนี้ท่านก็ท่านก็กล่าวบอกกล่าวแต่ว่าการแนะนำรวลบอกกล่าวพระที่มีอายุสูงกว่าในพระวินัยท่านบอกว่าอย่าไปบอกกล่าวโดยตรงต้องมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่ากล่าวเหมือนกับเรากล่าวผู้ใหญ่นะกล่าวผู้ใหญ่กล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกล่าวท่านนายอเภอและกล่าวผู้กากับ แล้วก้าวผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือกล่าวผัวหน้าวัดหรือก่าวพ่อแม่ของเราอย่างนี้เราจะไปก็โชคไปชากอบอกกล่าวไปเลยอันนั้นไม่ถูกเราต้องมีชั้นเชิงอย่างที่กล่าวบอกกล่าวครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าเอิท่านอาจารย์ครับไอ้ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่านอ้อมันไม่ใช่มันผิดแล้วกับผมถ้าพูดเพียงแค่นในท่านก็รู้แล้วความหมายเพราะนั้นท่านก็จะได้กลับตัวเออใช่ผมพูด ที่ผมพูดไปอย่างนั้นเพราะความหมายเป็นอย่างนั้นนะผมตั้งใจพูดอย่างนั้นเพราะความหมายตรงนั้นท่านก็จะได้ชี้แจงแต่ถ้ า, ถาเออใช่ผมพูดผิดไปแล้วจุดนั้น อ, อ, อันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับไม่เหมือนผู้น้อยแต่ผู้น้อยเนี่ยผู้ใหญ่พูดให้ผู้น้อ ย, ยพูดยังไงเออท่านทาอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าทาอีกนะอย่างนั้นอะ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆไปเลยอันนี้พวาผู้น้อยเพื่อเขามาศึกษา ผ, ผู้เข้ามาศึกษาจะไปพูดอ้อมค้อมไม่ได้ต้องพูดตรงๆให้เข้าใจเพราะเป็นผู้เข้ามาศึกษาแต่ผู้ใหญ่ท่านได้รับเรียนรู้ไปแล้วเพียงแต่ท่านพลังเผลอเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้เราต้องว่ากล่าวต้องมีกิริยามนารษย์ท้าหากว่าว่ากล่าวโดยตรงไปเลยโดยไม่มีความเคารพยำเกรงปรับบัตทุกกนะขาดความเคารพ อันนี้คือพระเวทนายท่านสอนละเอียดทีท่วนมากนะเพราะนั้นเรื่องพระสงฆ์นี่ท่านอยู่ด้วยกันท่านก็ยังมีการว่ากล่าวตักเตือนมีการประวรณาต่อกัรหลวงพ่อก็เลยบอกเออท่าขาว่าคณะศรัทธาญาติโยมจะเป็นสำนักงานหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือว่าออบริษัททางร้านหรือว่าครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ถ้าว่ามีการภารวณาต่อกันหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นการดีเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่จะมีความถูกทุกคนผิดทุกคนไม่ใช่บางครั้งก็มีผิดมีถูกด้วยกันได้ทั้งนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกที่อยู่ด้วยกันลูกจะพายลูกเกยมีผิดด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลดทิฏฐิมานะของตนเองลง วันไหนบอกกล่าวเออผมเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้ามีอะไรถ้าว่าลูกแม่บ้านทุกคนลูกทุกคนเห็นพ่อกระทำออกไปที่มันไม่ดีนะก็ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำผมได้นะทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันบอกกล่าวทั้งลูกทั้งแม่บ้านามีอะไรก็บอกกล่าวชั้นได้นะท้งลูกก็เหมือนกันพ่อแม่เห็นอะไร ที่ผมทำไม่ถูกต้องก็ บ, บอกกล่าวผมเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าว่าพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวว่ากล่าวตักเตือนกันมันก็เป็นผลดีส่วนหนึ่งเป็นผลดีอย่างมากตรงพ่อว่านหรือในสำนักงานของพวกเราเหมือนกันจะเป็นครูใหญ่ครูน้อยตลอดถึงพานโรงมาด้วยกันเลยเอาพวกท่านทั้งหลายเห็น การกระทาของผมที่ไม่ถูกต้องก็ บ, บอกผมนะ่าจะได้สํารวมระวังแล้วกับครูทุกคนประวรนาต่อกันหรือสานักงานไหนก็ตามมีการประวรนาต่อกันหลวงพ่อว่าคงจะเป็นผลดีสำหรับการอยู่ร่วมกันแต่ท้าว่าต่างคนก็ต่างอยู่มีแต่ทิฏฐิคือความเห็นทุกคนก็ต้องมีความเห็นนั่นแะแต่มานะคือความแข็งกระด้าง ความแข็งกระด้างถ้าแข็งกระร้างในหลักเหตุผลถูกต้องเนี่ยมันก็ดีถ้าว่าอ่อนปวกเปียกไปหมดทุกอย่างไม่เป็นตัวของตัวมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่ว่าแข็งกล้าวไม่มีเหตุไม่มีผลมันอย่างนั้นก็มาใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกคนมีความเห็นความเห็นก็ต้องมีแต่ว่าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิและเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มีเห็นสองเหมือนกัน เหตุมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอันนี้มิจฉาทิฏฐิสมาธิิคือความเห็นถูกต้องแล้วถูกต้องและเห็นผิดนั้นเอาอะไรมาแยกกระท่านก็ต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแยกถ้าการเป็นอยู่นั้นเอาศินห้ามาเป็นบรรทัดฐานเออเอามาเป็นหลักสําหรับเป็นแนวทางและเป็นแนวทาง ดำเนินถ้าใครมีผิดสินห้าแปลว่าการอยู่ด้วยกันอันนั้นคือผิดเพราะว่ากฎหมายมันก็ยาวเพราะสมัยก่อนกฎหมายแต่ละประเทศมันก็มีแต่ว่าศีลและธรรมหรือศีลห้ามันละเอียดกว่ามันละเอียดกว่ากฎหมายเพราะมันตัดโคนตัดเง่าของเรื่องความผิดทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราคิดๆ ด, ดูสิ จะเป็นปาณาติปาตาเวรมณีเรื่องสัตราอาวุธทั้งหลายทั้งปวงเราทํามาเพื่ออะไรทํามาเพื่อฆ่าคนถ้าว่าเราไม่คิดจะฆ่าแล้วจะทำทำไมนะมันตัดรากตัดโคนของความชั่วหรือ ว, ว่าตัดรากตัดโคนของความผิดไทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลตัดรากเง่าของกิเลสหยาม ส่วนหยาบคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล น, นะอันนี้ก็คือศีลของฆราวาสญาติโยมและก็ศีล8ดเป็นศีลขัดเกลากิเลสส่วนละเอียดเข้าไปคือทํารวมตาหูจมูกลิ้นกายนะพูดง่ายๆคือว่าเราไม่ให้คิดออกนอกหลูกนอกทางทำออกนอกนอกลูกนอกทางนะอันนี้ก็คือศีลแปดเป็นเครื่องศีลขัดเกลาาว่าศีลมากกว่านั้น ก็คือศินสมานเณรคือศินสิบเพิ่มชาตรูพระราชตะเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไปยุ่งเรื่องเงินลงทองเพราะว่าเป็นพระเป็นเณรอยู่ใน ป, ป่าโรงพงไพ่ถ้ามีเงินมีทองอยู่ด้วยก็เป็นพิษเป็นภัยเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มีอันนี้ก็คือศินสมาเณรและก็สินของพระคือศินสยยี่สิบอันเนื่องเรื่องการเป็นอยู่ของพระสงฆ์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 น, นี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราเป็นผู้มีศีลเอาเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าสากิจบรเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีศีลมีวินยัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายรักษาศีลรักษาศีลและวินยัยพวกท่านมีศีลและวินยัยคุ้มครองหรือรักษาศีลครบรัศีลและวินยัย อยู่ศาสนาของตถาคตก็ยืนยาวไปตลอดแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ครบรบไม่มีศีลซะไม่มีวิไนไม่มีศีลในวันนี้ศาสนาของตถาคตก็จบลงเพียงวันนี้เพราะานั้นมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายจะเคารพในศีลและวินัยมากน้อยแค่ไหนนี่แหละ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 แต่ถ้าบอกยังมีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าแต 5, ่0 0 0ปีเป็นหมื่นมื่นปีก็ยังอยู่ได้อยู่กับผู้ปฏิบัติอันนี้เราวางไว้สำหรับพวกท่านทั้งหลายให้สังเกตนี่แหละอันนี้คือศินและวิญัยสินสำหรับญาติโยมคือคือศิน5้าที่หลวงพ่ออธิบายแล้วอธิบายอีกการเป็นอยู่ด้วยกันทางว่าพวกเราเป็นผู้มีศิน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 ต่างคนก็ต่างสำรวมระวังอย่าให้ไฟของเราไปไหม้คนอื่นอย่าไปปล่อยไฟของเราไปเผาคนอื่นทุกคนก็ให้ระวังไฟของตนเองแตาคนทุกคนระวังไฟของตนเองต่างคนก็ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้คือสิ่งสวนสมาธินี่คือแนวความคิดในหลักความคิดในทางพระพุทธศาสนา แนวความคิดความนึกคิดในใจคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฐินี่เนี่ยหลักใหญ่ที่นี่ยพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าทังหกปีเนี่ยไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจเนี่ยนะที่นี่นทันวานแต่เรื่องของกายเนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องของใจเนี่ย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 ปล่อยคำพูดออกไปคาพูดนั้นก็โดยมากจะเป็นเป็นคำพูดที่ด่าคนบ้างดูถูกเยียดยำกระสุดแท้แต่เพราะว่าใจของเรามันมันโมโหมันโต ด, ดมันอิจฉามันไม่พอใจอยู่แล้วมันปลอดปลอยออกทางวาจาวาจาที่ออกไปนันะมันไม่ถูกต้องมันเป็นการกระทบกระเทือนคนอื่นเขานี่ะสรุปแล้วก็คือหลัก ของใหญ่ของพุทธศาสนาคือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นให้จะทํำยังไงจึงจะมีเครื่องควบคุมมีสิ่งที่มาควบคุมใจของตนเองมาดูใจของตนเองมาควบคุมใจของตนเองนอกจากสมาธิแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านอกจากสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญาคือความรู้ตัวถ้าหากว่าขาดสติสัมปะชัญญาแล้วเป็นไปได้ทางนั้น เ, เมื่อคนไม่มีสติคิดออกมาแล้วก็ฆ่าใครก็ได้ด่าใครก็ได้ทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะเหตุใดเพราะขาดสติเพราะนั่นเรื่องสติสัมปะชัญญาอยู่ในใจของเราเราจะคิดยังไง ถ้าเราทําลงไปนะมันจะเสียหายนะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะอย่างนี้อันนี้คือมีสติเมื่อมีสติยับยัง้งการที่จะพูดจะทําอะไรออกไปก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะใดเพราะสติของเราสัมปชัญญะของเราควบคุมใจของเราอยู่เพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตธาญธิโยมทุกๆ หมู่เรานะภายใต้ต้องคิดดูให้ดีถ้าว่าในขณะที่ทาตัวเองก็ไม่ได้คิดนู่นจนมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแัวนะเดือดร้อนวุ่นวายทั้งครอบครัวนะแก้ไม่ตกทีไหนทุกข์ละทีไเพราะเหตุไรเพราะตัวเองในขณะที่ทําค็คิดว่าตัวเองฉลาดรอบครอบใครไม่รู้ไม่เห็น แต่ที่แท้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านบอกความลับไม่มีในโลกทําไมจะว่าความลับไม่มีในโลกเรานั่นแหะเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าใครไม่เห็นตัวของเราเห็นเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์นั่นแหละตัวของเราเห็นอยู่ว่าเราทําอะไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะนั้นตัวเองเห็นอยู่ความลับเพราะนั้นอย่าทำก็รู้อยู่แล้วว่าทําไปแล้วมันผิด ทำไปแล้วมันไม่ถูกต้องอย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยมันผิดกฎหมายก็รู้จะมันผิดกฎหมายเราไปทำทาไมถ้าไปทำเข้าไปนั่นเน่เมื่อเขาจับไหมใส่โทษเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนไข่เดือดร้อนตนเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนไปทุกหัวละแห่งในครอบครัวของเราเสียหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหาญาดโยม ทุกหมู่ทุกเรานะสรุปแล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็พร้อมกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้ละเราเข้ามาศึกษาเรื่องจิตภาวนาหลวงพ่อจะสอนเรื่องภาวนาแต่เรื่องศีลเรื่องกฎระเบียบนั้นหลวงพ่อก็แนะนำสั่งสอนอย่างที่ได้ยินได้ฟังยกประเด็นศีลห้านะ เป็นมาตรฐานแล้วว่าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับพวกเราฆราวาสญาติโยมอย่าไปทำถ้าทำขึ้นไปแล้วตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้นอย่าอย่าทำแต่พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเคยพูดและเคยกล่าวว่าศีลห้าเนี่ยใครๆก็ไม่อยากจะรักษา แต่ว่าเราต้องการผลผลของสิน5าเนะี่ยใครใครก็ต้องการแต่ว่าเหตุเนี่ยใครก็ไม่อยากจะรักษาแต่อยากจะให้คนอื่นรักษาอยากจะให้คนอื่นมีสิน5าแต่ตัวเองไม่อยากจะมีเนี่ยต่างคนก็ต่างโยนให้คนอื่นแต่ตามไม่จริงคนอื่นเขารักษาเขาก็คุ้มครองของเขาแต่ตัวเองเนี่ยไปเบียดเบียนเขาถึงนี่แหละเพราะคนไม่มีสิน เพราะนั้นท่านจะว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทุกคนเป็นผู้มีศินมีศินสัมรวมกายวาจาทุกคนซึ่งจะอยู่มากน้อยมากไม่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขที่แหละคือศินเรื่องสมาธิให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านสอนลูกศิษยาณุศิษย์ของท่าน แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าน่ยท่านวางไว้ถึง40อย่างแต่ว่ากรรมฐาน40แต่หลวงปู่มัน่นท่านเอามาเพียงอันเดียวท่านบอกว่าเอากรรมฐานกําหนดลมหายใจอาณาปานสติน่แล้วกับบริกรรมพุทโธพร้อมกับพุทโธถ้าว่ามีแต่อาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆ มันสั้นเกินไปมันหลุดได้ง่ายมันหายได้เร็วเพราะมันมันลืมหลงได้ง่ายเพราะนันให้บริกรรมด้วยหายใจเข้าพดหายใจออกโทรนี่แหละอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิอนุสิตของท่านครูบาอาจารย์ทุกองที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็นำทำกรร ม, มฐานเนี่ย ให้มาแนะนำสั่งสอนลูกสิทธ์ลูกหาให้ภาวนาพุทโธนะนี่หลวงพ่อก็ได้รับคำสอนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ได้นำทมที่ท่าทนได้รับสัมสอนมาบอกเกา่าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาอีกแต่ว่าใครจะภาวนาอย่างไรแต่นี่คือเป็นหลักสอนเป็นหลักไว้ก่อนแต่พวกเราเออภาวนากำหนดภาวนาพุทโธแล้วมันไม่ค่อยอยู่ ทำบริกรรมว่าต า, ตายตายอย่างนี้มันดีกว่ามันจิตใจมันมันอยู่นิ่งกว่าอันนั้นก็แปลว่าการบริกรรมอย่างนั้นมันถูกกับจิตดิศของเราเดี๋ยวบอกมร ณ, รณนุสติรละลึกถึงความตายอันนั้นก็ได้เหมือนกันยังว่ากรรมาฐาน40แต่หลวงปูค่ครูบายจาย่าเน่ยท่านให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนี่แหละ อันนี้เขาขอให้พวกเราคณรทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ่ะยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนเมื่อจิตรวมสงบเป็นพื้นฐานจิตใจรวมนิ่งก่อนที่จะรวมสงบนะไม่ใช่ว่าจะรว ม, รวมแบบฟุกๆุกไม่ใช่นะเออใช่ผู้รวมแบบฟุกๆุกก็มีอยู่ไม่ใช่จะไม่มีมีอยู่แต่เป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของเขา แต่พบก่อนชาติก่อนน่ะคนเราบา ร, รมีไม่เหมือนกันบางคนก็เคยสั่งสมบา ร, รมีเคยเป็นลือีชีภัยลงมาจากสวรรค์ชั้นพรม เ, เคยภาวนามาก่อนอจากนี้จะทํามากับมานั่งภาวนาอันนั้นก็ยังมันก็ได้แต่ถา้าบางคนก็มันเคยปรุงฟุ้งซ่านมาก่อนแล้วแล้วก็มาเกิดพบในชาตินี้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 จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็เหมือนกับลมหรือว่าสิ่งที่กวาดเมฆหมอกออกแสงสว่างมันก็จ้าขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยยกยกตัวอย่างอย่างพระพาหิยะอย่างนั้นแหละท่านไปภาวนาอยู่บนยอดเขานั่งภาวนาจะเอาพ้นทุกข์ในชาตินั้นทั้งสององค์เป็นพระหันเป็นพระอนาคามีแต่ตัวเองก็ไม่ได้สาเร็จ ตายบนยอดเขาพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็ น, นั่นะไปเป็นพ่อค้าเรือจากนั้นก็นยังหลงผิดอีกต่างหากถ้าไมา่ได้คำแนะนำจากหมูเพื่อนก็คงจะถลํมไปลึกพอสมควรแต่นี้ท่านได้แนะนำจากหมู่พกเพื่อนที่เป็นสหธรรมิกในอดีตชาติที่เป็นพรมตรงมาเตือนท่านก็สานึกได้ตั้งตัวได้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 บุญกุศลเก่าแก่ที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเราเนี่ยมันก็จะให้ผลโผลออกมาเหมือนกับต้นไม้พวกเราเคยเห็นไหมต้นไม้แต่แลตะต้นมันไม่มีดอกไม่มีผลมันก็เหมือนกับต้นไม้ธรรมดาแต่วันดีคือดีมันถึงฤดูกาลมันมันก็บผิดดอกออกผลออกมาพวกเราก็เห็นต้นมะม่วงต้นลำไย ต้นไม้ต่างๆดอกไม้กับเป็นดอกออกมาให้เราเห็นแต่อยู่ธรรมดามันก็ไม่มีอะไรนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทางหลายบำเพ็ญั่งสมคุณงามความดีมันก็อยู่ในจิตในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าถึงคราวที่จะแสดงผลิต ด, ดอกออกผลมันก็จะผลิต ด, ดอกออกผลให้แก่พวกเราอย่างพวกเร า, เาในสงแห่งการทาบุญทำทานในอดีตชาติหรือทาบุญไว้ ดีแล้วเอก็อยู่ในใจของเราแต่วันดีคืนดีทำอะไรมันก็เป็นส่วนเกินออกมาได้ทั้งนั้นทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขมีแต่ความร่ำรวยจติตปัญญาของเราก็เสียแปมเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ดีแล้วมันผลิด อ, อกออกผลขึ้นมาแต่ถ้าเราทำบาปก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราความบาปก็ฝังไว้ในจิตในใจอีกเหมือนกันีวันดีคืนดีมันก็ผลิตออกมาอีกไปในทางบาปอากุศลมีแต่ความชั่วเสียหายทําอะไรกับขาดตกต ก, ต, กตนลนเพราะบาปอากุศลให้ผลมันได้ทั้งสองอย่างมันผลิตทั้งดีมันผลิต ท, ทั้งชั่วทั้งชั่วเพราะการกระทําของเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่ทํากรรมดีอย่างเดียวมีกรรมมีทำกรรมชั่วด้วยเมื่อกรรมชั่วน่ะให้ผลมืนมันผลิตไปทาง เสียหายตกทุกข์ได้ยากลําบากเข็นใจเท่าบุญกุศลผลิตไปในทางเง่งคุณงามความดีไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นในหลักของพระธรรมคาสอนหลวงพ่อยกแล้วยกอีกกรรมชั่วจะทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังคนที่ทํากรรมชั่วนั่นตัวเองเมื่อทําไปแล้วผม พูดได้เอ๊ะคนอื่นเขาทำํกำกรรมดีทําไม่เขาไม่เห็นได้ดีข่าเนี่ยทำมดทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรนะกำลังเขากินยาสารถุงหรือสเต็กเนนเนี่ยเข้าไปในท้องนะหรืว่ากินยาฆ่าหญ้าอย่างนั้นนะยาฆ่าแมลงอย่างนั้นนะเข้าไปเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเขาว่ากินยานี่เข้าไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยนะผมกินไม่เห็นมีอะไรนะ เพราเหตุไรเพราะในช่วงนั้นยาพิษมันยังไม่ให้ผลมันก็คุยได้แต่เมื่อยาพิษให้ผลเท่านั้นน่ะทั้งอาเจียนทั้งตะลีตะเหลือกทีนะี้ผลที่สุดก็นั่นแหละถึงข่าวตายไปนี่ก็เหมือนกัน่ะในขณะที่ทํากรรมชั่วตัวเองก็คุยได้เพราะกรรมชั่วมันยังไม่ให้ผลเห็นไหมข้าไปเจ้าไปขโมยไปคดไปโกงเข้ามาเนี่ยไม่เห็นมีอะไร ถูจ้ามีแต่จนๆพออีกสักวันหนึงพอเขาจับได้ไล่ทันเท่านั้นตัวเองหน้าม้อยท่านเนี่ยเขาใส่กองแขนเข้าไปมองหน้าคนก็ไม่ได้ก้มหน้าทําไมอถ้าตัวเองทําชั่วก็ต้องยืดรับสิเอ้ยข้าจะทาชั่วจริงๆวะเนี่ยอก็ต้องยืดหน้ารับสิเป็นไรไปเพราะตัวเองทําอ่ะ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 ขึ้นมาแล้วนะั่นวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะจตหายาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเราพวกเราท่านทั้งหลายนําพิจารณาดูสิจริงไหมหลวงพ่อเอาคําจริงออกมาพูดนะวรรณกรรมชั่วจะทําเสเลยดีกว่าถ้าทํากรรมชั่วแล้วตัวเองจะเดือดร้อนอันนี้สรุปแล้วคือพูดมาถึงจุดนี้นะล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของศีลนะ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิล์นส่วนสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาภาวานาเนอร์กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางร่างกายตรวจเดินวิปัสสนาวิปัสสนาพิจารณาร่างกายเกษาผมโลมาขน อย่างที่พวกเราท่องบนสาทยายอาการ32เมื่อกี้เนี่ยตับปอดเอ็นกระดูกน่ที่พวกเราไล่ๆกัน น, ะนั่นแหละอันนี้ว่าสาทยายอาการ32ในร่างกายของเรามันมีอย่างนั้นจริงไหมจริงแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายนีจะต้องถึงจุดจบใช่ไหมคือสรุปแล้วก็คือทาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาตามความเป็นจริง อย่าลุ่มหลงมัวเมาว่าร่างกายสังขารของเรานะ่ยร่างกายของเราน่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบแต่ว่าถึงจุดจบแล้วก็เถอะมันจุดจบแต่ร่างกายใจอยู่ข้างในนะ่คือตัวผู้รู้ศึกนึกคิดนะ่ตัวนั้นหละไม่ตายตัวนั้นไม่มีปาช้าแต่ร่างกายในมีปาช้ามีฝังมีเผาได้แต่ใจคือนามธรรมนั่นน่ะ มันตายไม่เป็นตัวนะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆสุดแท้แต่บาปกรรมจะพาไปถ้าเราทำกรรมชั่วไปตกนรกมาเป็นเปรตเป็นสัตว์ทีระชานเป็นคนหูหนวกตาบอดมากมายหลายๆลายอย่างคนกรรมกรรมชั่วให้ผลแต่กรรมดีให้ผลก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนะให้ทาแต่กรรมดีเนอะ อย่าไปทำคาชั่วถ้าทาคาชั่วแล้วคาชั่วให้ผลจะเดือดร้อนนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีความสุขความเจริญก็จะเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายการกล่าวสมดตทนิยคกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีลัตนาตรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ